ต่อไปเราก็จะมาคุยธรรมะกันในการคุยธรรมะนี้ก็มีข้าพเจ้าราไพบุญ นะความรู้ความเรียนที่วิชาได้สั่งสมเรียนรู้มากเวลาๆย่ําๆ นะคนเจริญจะเจริญขึ้นได้อย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องการค้าขายจะเป็นเรื่องอาชีพการงานการวาดภาพการเขียนๆทําย้ําๆนะคุณทําซ้ํา นะมีความเพียรจริงเรื่องความเพียรเป็นเรื่องในใจนะไม่ย่อท้อลุยเดินหน้าไม่บ่นไม่ว่าไม่มี เอ่อจะต้องมีสิ่งที่ว่าศีลนั้นศีลเนี่ยคือเอ่อข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเนี่ยถ้าเรามีข้อแท่นแท่นหนึ่งนะเราจะขึ้น นะแท้ตรงนี้เนี่ยก็คือปริเมินศีลนั่น นะปุช่าเปรียบเหมือนกับหม้อท่านฟังนะถ้าเราเห็นหม้อของอินเดียๆกลมๆนะนะหม้อดินๆกลมๆเขาไม่ได้ทําเป็นก้นก้นเหลี่ยมนะๆด้วยนะตูดมันเนี่ยก็เป็นเหมือนกับอ่า นาจิตของเราก็เหมือนกันท่านผู้ฟังต้องมีเสบียนรองจิตนั่นคือที่รองจิตไม่ให้มันหมุนหมดนะจิตของเรานี่ถ้ามัน นะนี่คือคนจิตแตกแล้วนะเพราะว่ามันเค้าไม่มีเสวียนรองจิตนั่น ที่ระลึกถึงไม่มีฐานมันโดนอะไรพึมก็อย่างกระเทเล่ล้มคว่ําแตกไปได้ดังนั้นเราจึงต้องให้จิตของเราเนี่ยมี พรหมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจริงไปด้วยกันนะฟังนะศีลสมาธิปัญญา 3 กองนี้เท่านั้นเองในคําสอนของพระพุทธเจ้านะ ศีลอย่างเช่นว่าศีลหน้าข้อมารวมๆรวมกันก็เป็นกองศีลว่าอย่างงั้นนะในกองศีลนี้เนี่ยถ้าเรา เราเอาการสํารวจอินทรีย์มาเราความเพียรมาเราเราเราเรเร 2 ผ่านไปแล้วไปแล้วนะเอาเราเอาการพิจารณามาเรเร 8 บ้างนะ 4 บ้างอ่ะ นะมันกองบัญญัติขึ้นมา 3 กองนี้แหละเป็นกองที่สําคัญนะผู้ฟังนะเป็นกองทัพของเรานะเป็นกําลังรุกราเราให้มันพ่ายแพ้ทําให้เราเหมือนกับว่าถูกมันเบียดบังบิด นะมารมันจะมาบุกเราเนี่ยเราต้องมีอาวุธในการต่อสู้กับมารนะอาวุธที่เรามีคืออะไรนั่นคือศีลสมาธิปัญญานะปัญญาเปรียบเสมือนดาบ จริงๆกิเลสไม่ได้ตายหรอกท่านผู้ฟังนะกิเลสไม่ได้ตายนะให้กิเลสมันไกลจากถ้าเรามีจิตเป็นประภัสสรแล้วเนี่ยจิตเรารู้วิธีการที่ทําให้จิตเป็น มันต้องมาด้วยกันและมันเป็นมรรคนั่นเองมันเป็นสิ่งที่รวบ ใน 3 อย่างแล้วนะแล้วก็ทําสุนยักคณวรรคคือข้อปฏิบัติของผู้ที่ 4 อย่างนี้อันดับ 5 ก็ได้ 8 ก็ได้ได้แต่ศีลที่มันลึกซึ้งขึ้นไปก็ได้จะเป็นสามัญญเนกขศิลป์ 10 ข้อในอย่างต่อ ให้แห่งจิตในภายในในเพื่อความสงบแห่งจิตเช่นอะไรการสํารวจอินทรีย์เป็นต้นนั้นท่านได้เช่นท่านผู้ฟังมีความเพียรแต่ ให้จิตของเรานั้นสงบลงได้นะหรือว่าการมีสติในการก้าวไปขณะการถอยหลังเดี๋ยวพวกให้จิตความสงบลงไปได้อ่ะแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่เหินห่างจากฌานนะไม่เหินห่างจากฌานนี่คืออะไรฌานนี่คือการเพ่ง โคเเขนเนี่ยเวลาเพ่งเนี่ยเวลาไปหากุบาจารย์เท่าว่าอย่าเพ่งอย่า <c oughs> นะถ้าเราเอาใจจดใจจ่ออยู่กับอยู่อย่าง แม่พระท่านต้องที่บอกว่าให้ประกบพร้อมด้วยวิปัสสนาเนี่ยคือคอมพิวเตอร์ฟ้าผนังบ้านโทรศัพท์มือถือที่ด้วย เห็นตัวมันด้วยเห็นเหตุเกิดเห็นความแดบเห็นข้อดีเห็นข้อเสียของมันหมด เออผลเสียงมันมีอะไรอ้าวมันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงด้วยวิปัสสนามันไม่ใช่ สุนยาคาราวันธ์นี่คือข้อปฏิบัติในการอยู่เรือนว่างข้อปฏิบัติในการอยู่เรือนว่างนี่เช่นมีกิจน้อยเป็นต้นเช่นพูดน้อยเป็นต้นไม่ทรงสิงกับใครอยู่นิ่งๆเฉยๆคนเดียว 4 อย่างนี้ท่านผู้ฟังนะมีจากฌานเป็นผู้ที่ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา วังว่าเพื่อนรักได้ว่าเพื่อนรักได้หวังรวยได้หวังสวยได้หวังความสําเร็จในชีวิตได้หวังชั้น 1 ได้ชั้น 2 ได้ชั้น 8 ได้ได้ทั้งหมดๆนะ 4 อย่างนี้เนี่ยจะทําอะไร 4 อย่าง นั่นจริงๆมันก็คือมรรคนั่นแหละเป็นทั้งหมดในสิ่งที่เราต้องการนะเมื่อเราได้รับผลเป็น นะผลจะเกิดหรือจะไม่เกิดแล้วข้าพเจ้าพระไป